คำนี้ฟังวนเวียนเรียนศาสนา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 เราจะต้องฟังกันบ่อยๆเรื่องเก่าๆซ้ำๆฟังกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอย่างน้อยประโยชน์ของการฟังเนี่ยมีเยอะเลยแต่มีอยู่สองข้อที่คิดว่าน่าจะเด่นมากการฟังเนี่ยทำให้เราทบทวนของเก่าฟังบ่อยๆก็การลืมเราทำถ่าจะลืมแล้วฟังอีกครั้งนึงก็จำได้ละจำได้อันนี้ก็ข้อหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือระงับความสงสัยไปได้ บรรเทาความสงสัยข้ออัดข้อทำบังคำเนี่ยสงสัยเคยได้ยินบ่อยๆแต่ก็าจะสงสัยอยู่ว่ามันหมายถึงอะไรโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยเราสงสัยว่าจะทําอย่างไรทําอย่างนี้ถูกต้องไหมบางทีเราสงสัยแล้วเรายังหาคําตอบไม่ได้โอ้แต่พอได้ฟังปับ๊บหมามันโดนใจเรากำลังติดปัญหาตรงนี้พอดีเลยพอได้ฟังเข้าได้คําตอบบรรเทาการสงสัย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 ถ้าการซักถามบ่อยๆทําให้บรรลุรามได้นี่คนเราไม่ต้องปฏิบัติหรอกถามได้คําตอบก็บรรลุรมก็ไม่ใช่อย่างนั้นถามไปแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติเอาไปทดลองดูท่านผู้นี้ท่านก็ถามนะแล้วท่านก็จะเอาไปปฏิบัติติยังไงถามเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุทำได้ก็หายไปสักระยะหนึ่งท่านก็กลับมาท่านมาคราวนี้นี่ท่านไม่ถามเลยนะ โอ้ท่านเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวเข้าใจเรื่องการเจริญสติถ้านก็บอบอกว่าโอเข้าใจแล้วเห็นแล้วปฏิบัติได้แล้วเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยจะไม่สงสัยอีกแล้วโอ้ก็นึกอนุโมทนาอยู่ในใจนะที่เขามีการพัฒนาถึงขนาดนี้พรอเขาได้เอาไปปฏิบัติแต่สักครู่หนึ่งเขก็ถามว่าเอออาจารย์ครับถ้าเราไม่สงสัยอะไรเลยเนี่ยเราผิดปกติหรือเปล่า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 แต่ว่ายังไม่ค่อยก้าวนาเลยนะไม่ทราบว่าก็าทาถูกต้องหรือไม่คำตอบนี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าพอเริ่มต้นคุณศิรินาถอ่านบทกลอนของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเพราะว่านี่คือคำตอบเราได้ฟังเพียงแค่นี้เพราะว่าคุ้มค่ากับการฟังแล้วไม่ต้องรอคำตอบจากผมนี่ก็ได้เพราะว่าบทนาเนี่ยมีประโยชน์มากเป็นทั้งคาถามและคาตอบ สำเร็จเสร็จสิ้นอยู่ในตัวลก็จะทบทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าบุญนั้นก็ถามว่าเขาทำวิปัสสนามานานแล้วทำไมจึงไม่พัฒนาทำไมจึงไม่ก้าวนาและสิ่งที่กํากำลังทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมหรือท่านบอกว่าท่านปฏิบัติแบบไม่มีรูปแบบคือเป็นแค่มีสติรู้เท่าทันเวลามีรูปมากระทบทางตาก็รู้มีเสียงมากระทบที่หูก็รู้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 แค่มันเหาก็กลัวแล้วกลัววหมาอี่ตอนที่กลัวหมานี่มันมีรูปมีนามบ้าบอกไม่มีอะมันเข้าอยู่ในความกลัวหมดเลยไม่เห็นว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นนามก็ไม่ได้เห็นตรงนั้นอ๋อเลยเข้าใจเลย ว, ว่าอ๋อเขาแยกรูปแยกนามไม่ได้หรอกเพราะเขายังกลัวหมายังจับอกจับใจอยู่เขาเลยเข้าใจเลยอ๋อรูปนามเนี่ยมันต้องเห็นแล้วก็ประจักษ์เฉพาะหน้าในอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นว่า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 ถ้าอยากจะทดสอบว่าเราเห็นรูปเป็นนามหรือไม่เราจะมีความกลัวหรือเปล่าเนี่ยมาที่ชมลมเนี่ยมาให้หมาสอบอารมณ์ด้วยบ้างทีเราอาจจะเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดเราก็ได้ว่าเรากลัวมากน้อยขนาดไหนก็เลยพูดกับเขาแปว่าเราเจริญนิพพานดีแล้วทําเหตุที่ถูกต้องอย่าไปมุ่งถึงผลว่าผลจะได้อะไรจากการปฏิบัติถ้าไปมุ่งในผลแล้วเราก็มันจะเป็นตำหานะ จิตจะฟุ้งซ่านจะมีแต่ความสงสัยจะไม่ปกติเราเพียงทำเหตุให้ถูกต้องคือระลึกรู้ให้ถูกต้องซะก่อนทําความรู้สึกตัวให้ถูกต้องซะก่อนพอทําถูกต้องแล้วเนี่ยผลก็จะถูกต้องไปเองอย่าไปกังวลเรื่องผลสร้างเหตุให้มากๆเห ต, ตุองการระลึกรู้นี่ทําอย่างไรถูกต้องทำอย่างไงก็คือเพียงแค่มีสติรู้เฉยๆเวลามีอารมณ์มากระทบ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 จิตมันก็จะผ่านจากความกลัวไปได้เพราะฉะนั้นการสร้างเหตุเนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติควรจะทําอาจจะโดนจิตดนใจใครบ้างก็ได้คนที่ติดอารมณ์ตรงนี้อาจจะเข้าใจเนี่ยคือเรื่องเก่าๆธรรมะเป็นเรื่องเก่าๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับเราทุกคนก็ฟังเอาไว้รู้เอาไว้ดังที่สุภาษิตเขากล่าวไปว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหาม